ก็เลยไปคิดคิดจังหน่อยเขียนไม่คิดคิดจังหน่อยแคเข้าโารด์ขเพวผีไม่แค่แายเข้าไปมันไปหูมืออ น, นั้นปีนอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นมันทํา บ, บวกมันเองดอกมันหูมันเองดอกมันมีมกุญแจยู่นมันผัดอ้อมตัวเรากุญแจนะ เล่ากับโมโหเมน่อย่างมัเนเป็นกุญแจกล่ากับโมโหกลางคืนมัะมีวัตจักอีกมันหมุนะน่ะนี่เล่ากับมโหเอาวัตจักหมุนฝันพุนัทฝันพุน้ฝันฝ น, ฝ น, ฝ น, ฝนันละวิเศจมันห ม, มุนกลางนี้เดยนี้มันก็ถูกเนาะ อ, อืม วัตทุการขึ้นมากพันมีแมหันตทุกอีกอะไรจะเป็นแมหันตะทุกนั่นทีมันมโหนั่นทีเข้มทุกเดมกระชับางดีบรีเขากระเลนรีกเราอืมไมนเรารีกเขาเขาเล่นรีกเราเข็นมีเนวมากกระทุกมันมากแต่ไกลมันกระเลยนหนี อื่หัวมันแน่หนีนี่หมายถึงว่าแหน่หนีอยม่กับอย่างอื่นอันนี้หลังคนเขามาว่าเนาะขปนาคําว่าจิตมุยู่วุฉันเล่นตามจิตไปเล่นไปห้องใจไม่าำบูจักมุเรนโดขีจิตอกมาเรีนอนั้นเผารูดเอาไปเผารูด โมไายโดเอาอยัางมาจ้างเพิ่งจะไปต่าไผ่มโกเพิ่งเพิ่งกระ บ, บอกใบกไผ่มโบกบอกะบก็บบกไปได้ลูกมาบบกเพิ่งกระ บ, บอกใเขียนเพิ่งจะไปเพื่อกันมีมีธีหรือไม่เราอืมเ้วไปจะได้อ่ะแมยไปองผูกหดระชกระเชี่ยวหดน้ำเอียงอื <laughs> ไปข้างบนไนดะ้ โอ้ยไปเพราะอียี่ยับไปบึงอ๋อไปไกล้ใช่บ้านอียี่นั่นมันอยู่ตามคลองน้ำดีอืมมีคลองน้ำใกล้ บ, บ้านเขาไงคลองใหญ่อยู่ด้ไปบึงน้ำตูลโอ้แต่เขาบนเขาน้ามึงโอ้มันาถึงแก่กแบบนี้ คนควรช่อแข่งต่ามันจะได้มาเป็นนักสลีนอันนักประเทศไทยเขานีมันก็นมี18แย่างนนะนนะไหมว่า ก็จะช่ดยนไม่มาไม่มาไม่มาไม่ จุกห่วงดอกไปเราคว mm. รวีนจุกจื้วเราจะไปดี mm. เวินตัวจากจือเสียงดีดีแล้วไปแล้วบา mm. งที่ส่งชุมงเหมืน mm. มนอนเกษตรกรรมอันอินเดียนี่มันเมือห็นละเขาชื่อยเอ็นคยคนมือไปหรอไม่คิดค้า อินเดียก็คือเวกัมืองฉกุณนี่แหละประเพทประเภทของอินเดียคือเดียวกับเมืองฉกรุนเท่านี่นี่ประเภทดับเชียดับเชียมันเป็นมืองมุ่นในดัตชียอืมทําไมอ่ะคะเป็นตะยู่อยู่ดิเป็นจักแงวนเป็นจักรเวนแค่แม่แม่ยังน้อยยังหนุ่มแม่จะไปนั่งเผานาจังโงปี จะเชียอันนี้อียิปมันเป็นมึงยาวมันเยาวไปตามลาน้ำนะตามลำโค้งไม่หรอกโค้งมันได้โค้งน้อยสิเขาได้ขี้หี้อขี้เพ่ความสิอียิปตนะไปชั่วมันแล้วแล้วตอนนี้คุณย่าตีใจหวั่นแม่จหว่นใครจะขี่ให้นั่งภาบนา จากให้เบื้องตัวเราเนี่มันมีอยู่นี่เต็มอยู่นี่เลยทําแปดหมื่นีสี่พันอีหาไม่เห็นที่ลุกไม่ใชินใหญ่พ ร, มปประมนาจ้าทุบเร็วมากเข็นหูเรื่องง่เข็นหู้ยากยุ่งเหลือเกิน เราให้พาเลยอันดีเมื่อเห็นยังกิอยาดูย่อยากห็นอันี่ีมันเอาผัทันตรีอืมม่แค่นี้มันอ้างให้จักบนมาฉงบยิดมมางงมันเป็นยังนทันหูที่ฉงงเลยเอายาแก้ไกินเพอายช้ำเอายาอไม่กิน อยากเกินน่นนี้เปลี่ยนยี่ห้อเมื่อปีนี้อยาอมของน้องอมแเอาให้กินแล้วอายจ้ะนองเมื่อกี้กินตกเม็ดอยากดื่มน้าดืมแล้วอายอีกย็นหาอากอยชาเหอกับอายมากขึ้นอยากใ้ครยากน้าถือกเม็แย่พราะหน้ายานอื่นไม่กินบูได้โดไม่ชันบุได้ ฉันเข้าไ uh. ปไม่บอกขึ้นเต็มตูเลยอย่างยาแก้ปวดยาหนึ่ yes ้กินไรหนึ่งเข้าไปมิดนึงชุ่มมิดนึ่งอนี้แนี่ยพอดีมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาถวายพอดียาแม่กินด้วยยาแคแพ้หนึงหน้าก็ใหญ่ถอยยันกินใหญ่ยังงล่ะล ยาแม่กินอ <c oughs> ไรอย่างไปใบเย็นอ่าชอบใบเย็นอ่ะแค่กับพา อ, อ่ะมีเวลานอนอยู่เออ่สๆเป็นลมเป็นลมอวาสัตวนี้เดียวมัจะกล้ามมันมียมจะถาวไปเย็นหนาวมันันไดีนังน่งเฝ้าตกุศลใช่ไหม เออมือชี้ชี้นั่งโคตรลงประดุษ้า่งตรงรังมือหาหาเนี่ยมันสบายเนี่ยมันสมุทรมือเต็งกันมันชิงมือมือมึนแเออม่อินั่งรูดนั่งสมอนั่งพับเพบม่ได้หรอกมึนมึนต้องขัดสมบธิรูดแล้วมือเต็งกันแล้สบายนั่งมือชื่นบ้ยัง นอนสมาธิดีไปพระองค์คัดสมาธิกับไรขาหึ่งกีดียิเมมึงฟ้าไปใช่ค่ะที่หนูส่งน้ํามันเหลืองมาได้รับหรือเปล่าฮะอเคน้ํามันเหลืองนะคะได้ค่ะน้ำมันเหลืองถามคนงานเนี่ยงานพาส่งมาตามที่ที่อยู่ให้ไวอะค่ะที่ว่าเคยไปอยู่ที่วัดโน้นน้ามันเหลืองเป็นเพื่นพาอยู่ จะถามว่าเป็นไงดีไหมฮะเออพันาพาทุกวันไม่เหนื่อยู่ปวดเท้าทำไมถดีนะจะถามว่าดีไหมถ้าดีหนูจะได้ส่งมาอีก <c oughs> ใช่เจ้าค่เดี๋ยวจะส่งให้หนูแม่พก่อนมันจ๊บมัจ๊บผูกไฟใบเนี่ยนะ <c oughs> อืมจิบูกจิบก็พ้นเท่ากันหะนแคงเย็นเย็นเย็นเป็นน้ำเลยเขมันจะจิบแล้ว นี่นะะพี่ขาพี่มามาใคระพีแม่น้ำมันเหลืองน่ะที่เพิ่งส่งมาตอนเจ้าอยู่วัดอาจารย์สมควรน่ะท้ายดีอยู่บ่น้ามันเหลืองเหลืองน่ะเออีอยู่ก็ใช่น่ะหนูเดียวนีหนูจะได้มาถวายให้ค่ะเพิ่จซื้อมาถวายคดี๋ต้องขอที่อยู่ใหม่เพรว่า เอาที่นั่งสองที่หนึ่งไปยว่างน้ำพิมเขาก็ถวายมาโชกุนโอ้ยจ้าข้ามือชินมือก็ไชิมมอแล้วข้ามือขาอันนี้ไม่หรอกมันเด็นมากเอามาถ่ามากระชามากาเลยท่าท่าอะไรฮะ ครับอ่าเขียนอืมอืมอือืมอืม่ืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอือะมออืมดืมมออืมอืมอืมอืมอืมมออออ ม่ที่นี่เอาไปตัดก็พอ้มมามปีสปีนี้ทำอะไรทำใจที่กันจู้จแหนบที่นีนนี้กงถึงไปจู้จี้แหนบเลยเนี่ยต้หาแล้วแหนที่นีมันก็มาขีดที่แบบย้ายไม่ถึอยู่เฉยอันนี้มันก็ลูกกุมารมัอยู่ที่หนึ่งกัน คมันุดึงกันเนี่ยคุณย่านอนแล้วดีขึ้นไหมนอนแล้วดีขึ้นไหคะขึ้นเท่าไหนมากรมือเองเจ๊เป็นเจ๊กระรูกอะไรไม่ชกระลูกกันแล้วกระกกนขาดเจ้าวันนี้รออะไรกอยูงถึงคุณย่าได้ใช่มยือนาริกาอผมที่รบผมก็ไม่แพงหรอกก็ไม่รู้จักนาี้ครับ ที่ต้องเสีานะจิงๆแล้กินพลังยะนแข็งแรงมวุ่นีะ้นบเลยนดเลยิขดคนหาทุกเลยยาดิเาาโชว์เลยด เลามาเบื่องตีนอนหนกันเนู้กันน้นีออะไรเป็นทูปเบงบางเขียนที่ดามเืงหินดี่อ้า อ, อันทูปนะอะไรเป็นทูปคือหนาว ม, มีอะไรอยู่ท่าโกดอกหน้าอะไรเป็นหน้า ถึงวันนั้นโม่ด่าคนยังไม่หิวแล้วเขาจังได้ถกเบสงบเขาจังได้ถกถึงสงบสงบไหมเป็นยังพิชิตเอาเรือกไม่คงเฮาพอายอาอี๋อดพระพูทเจ้าไ่ได้สอนนะสงบสงบใจ เงรกายเชิงว่าจารูได้ยินมันก็เป็นขีดีดเมจอครับตาห็นมันก็เป็นขีดีตมากพูดมันก็เป็นปวยนี่แม่จะจิคันตาถ้าปวดไม่ต้องใส่โบขีดีตไม่ใช่ในยนในหู่ต้างนั้นซ ใช่ทหารวันหน่แม่นไฟเป็นขีเดืเราก็ยังบู๊อฮือกพูนว่าขี้เดืดโอน้ำพืนขีเดือดแยลายบวบได้ใครบุได้เอ้ามันมีสุกคนเออืมเปนยังจะไปบุได้ไอจา์กามีขี้เดือดพวกเจ้าทกามีท่านจะไปผ่านได้ใช่เราบูหินเฉย พินังพินก็ไปได้เงินกันทำไอาจารย์ถึงอยกตายมันพ่านเนอะตัดแหงอันอําไม่กินแล้วก็คือติดไฟอยู่ด้วยมีความข่าวว่าติดไฟเกิดไฟถึงเยอะ้วเขาจะต้อช่วหอยู่นะเออั้นเ่ยสบายนะแข็งด้วยล้วกินน้าแข็งตลอดหน้าหานะเอ่ ไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่ใช่หาได้ป้วเล่าให้เบิ่อเราแม่ยยังนี่ อ, อัดความยากเรานี่นนะมันไปคิดในนีมันยังว่างมาได้ลราดูมันว่างเองมั น, นความยาก น, นี่ใ้มากจะกินอะไรไป นี่ได้มาก ก, กิกๆแล้วว่ะจริงๆก็้วรไมก็แล้วจริงๆกอันนี้ก็แลวเมือ้อคือมันวางแล้วนะอันนี้มันยังคิดนั่นป็นยากี่ไอ้์็ากี่แอ่เนอดยงน้เย็นจักมันถู ย, ยากุศะ ถ้าเราเป็นเว้าเจากของไห้ของมันหนึ่งแม่แมาก้ดที่จะได้ไม่ได้เรากินยังเราปว ด, ดเรืสองฉุกเฉินไหมปวดกายเราฉวนมันรู้เลยหรือย่งงอยังไม่เฉกบเลยยางปวดดึงปวดกายเราปวดใจเรา ไม่ไ็กคิดอะไรแม่นมัอนยิ่งคิดวอกถามมันมันก็อยู่ชี้ชี้อ่มันตัวปลาเฮ mm hmm. ้ยมันไมหดอกูุะเป็นอย่างนั้นอยางนี้เหรออยิ่งชอยู่หรอกมันก็อยู่ชี้ชี้่ mm hmm. ต่ว่ามันหยาบเลี้ยงอันนี้ยังไปหาหาทด่าข้าวโพกนั่นคือแล่นกันจน้ มาขายหน้าคว้าคงมันยี่รินเลกในกันไปชิมมะขายต้องกินต้งแหนดนี่ไหวมันมัมมมนผอมมีแล้วในโลกมันบวอืดได้กิดมากินมาโอ้ยยื้อชิฟ้าเขพาฟ้ า, าวานานเล้าชิยืดจกคงกันเพเดียวเนาะ เราต้องบุรีกรรมพิกนไม่ทีจะไปเผาหนา้าเราเาร า, า ก, รกา็ทกกี่เอากรรมฐานห้าบุรีกรรมกระเรเสี่เอพุทธานุสติบุรีกรรมกระเรเตเออนี่เราก็เสียหน้าคำพูดนบุรีกรรมกระเราะเตเรามันชื่อก็นม่ใช่เลยเขาแล้วล่ะ <c oughs> ขาเจ้าติกรมจิก่อนหกกรดังฉันเลยบ้างเมื่อนี้เข็นตะกี้ย่างเข็นย่างเผาหน้าไปเมื่อนี้คือฉันโชกย่างเข็นย่งเผาหนาเนี่ยมวยเชิงบุกเอาใหเอาชาจะคาว่าเนียมวยเชิงลุกเขาขึ้นมหวี่ที่นาเออกันี่ยมวยเชิงลุ อาทอยโรคมันกิช to mm. ิ่งเดียวอันนี้อย่างใหญ่เลีเป็นจุ่มปุดยจุ่มปยหยัดเขาจว่ามันติมมันขนานอะไรเดียวมันกรมือเดียวมันกรมุนเดียวมันกรชวนยาเดียวมันกรีว่าชุมปุดยแะน่นแะเห็นกันไเช่น็นไหมาช่น อยู่ค่มหัวคี้เดือดเหยียบหัมันไปรูดย้า้มันเหยียบหัวเ้าเฮาเนี่ยเหียบหูวมันอันโตขี้เดือดอัโตยากเนี่ยมันเอาสิอันโตอึดอยไรใครอยากล่ำอยากรวยอยากฮั่งอยากมีเพื่อได้เงินล้านอากจะได้นงินพื้น เออเห็นคนได้เงินลอยเงิ น, นพันกันจะไรเงี้เพื่อนมีแต่เครื่องยากเสมอด้องไปยากเสียแล้วเชย อ, อยู่เกิดมากก็กินมากนี่เกียร์ยาคนลไม้แผลมาให้กิกนให้ไว่า่หัวโขอกก็คอ้ชักเคือเมก็จะมาบวชแต่ววานั้นจะบวช ไม่ปลุกเลยอืมไม่อมวดได้ก็ปลุกอืมทวีนิธิบอไ ด, ด้ชื่อผลทำไงใช่ความอยากเข้ามีหลายอยู่ให้จังใดความอยากเข้าสี น, น้อยลงก็โอเค ใ, ใช้ความมุช พิจารณาบุคคลทุนหรอกำ น, น, นัลมโนราหเงียบขวักคือเฉยเห็นเข้าทเห็นเข้านามเราบวกฟังฟังแต่มันม้วนเฉยทุ น, ม, น, น, น, ทนมันจะเห็นนั่งมโนราห์แคนบุญเราจะเห็นใจเราไหมเรานี่ พูดไไดังฟูดัขาวของะไรแล้วคิดตะลบอย่าไปคิดมาไม็คิดนำมันละลาก็เคิดมันนูนหงเราเลยนี่อันนี้ฟังาัาฟังสีคก็ดเด็กจับบาซิลนจับบาซิลนแม่เขาฟังอยู่ดิอือ บาซิต้กจักภากวนาบุภาพนาจะฟังสิงชื่อก็ไม่จักยังฟังสิชื่ออยู่ไม่หวต้องพิจารณาตามันตื่นยจังไดม้าจังไดทางพระพุทธเจ้าท่านที่จังใดนี่ยายของพระพุทธเจ้าดีเอออาจจะบาซิต่า อ, อื่นไม่เบียร์้อ เพืนน้องเพื่อนอันอื่นนแล้วนี่แม่ผมพูดจริงจริงเทปกับบคคลกันปิดกับบุบิน เล็อยยืนกังบ้านแกับวิ่งเขาวิ่งกับมีงวิ่งเขายืนกับมีวิ่งเขาวิ่งชนะมึงิวอืมต้นไหมก็เป็นทำเอามาเป็นทำได้สิอุ้มทำมาอุ้มทำ แล้วจะนาพิชานาแล้วให้จงไถ่คือบ่บ่เห็นจัเทียบบ่ง่งหอถแล้วอย่างเอาบตแล้วส่งเยอก็บุตรถยังเอาบุรก็่งยังม่ให้พกเจ้าใจฉันตรโอ้ใจนบุ มันจะงอผึงไปมันเอาเพิ่มจำนวนหรือมัจะเอาเตมจำนวนหรืมันจะเอายี่สิบนาทีสามสิบห้านาทีให้แขกงที่ไปนี้ยาวไปสักกูให้แข็งทีกไปเขาดมัเต้าลงเต่านะดูไปก็มา ก็มาเขาพูดก mm. mm. ็เ mm. ล mm. mm ่าอันเก่าคือจ่ายเงินใหอืึมใครพูดละงานอยู่ใครยังมุกอุ้งลบากงานส่งสารงานที่ฮึมโอเคบทส่งจัง พอง่ายมือมือมึงงี้อืมยอดมึงจะไม่ยอดละน่าตาผิดสวยอืมใครรับก็รับไปสักหน่อยมากระตือด้นด้านี่ะด้านในด้านหัวตานะคะมียอะมหัอืองเลิัวหันุ่มนนยุ่งหางทคนมันยุ่งหาง ไม่ยุ่งมันงามันฟังก็เยฟงเพลงให้เร้้แ่เธอร้องให้ากข้ามาเลยเข้าใจแตอันนี้ฉันมีความรู้แม่แม่แม่แม่ไอ้คิดทุกเมือทุกเมือมันให้เงไดมันก็บอกบกคิดบมันบคิดบใบ้อะว่ามัง่คิด่คิดโอเค มจะเล่าขึ้นไม่ขึ้นิดงออยู่กระเป๋าเลยใครจะมาชมือให้หยักใช้มือเราเลยบายเอามือเราบุยางเปล่าตารบุห็นก็ตาได้เหมือนอัอใคร่มาใช้มือให้หยักงอชี้ไปชิดมันเรื่องยากกเป่า ก็คิดยังแบบนี่คือสีสันอคือคขารู้กมยังกูไมยัมั้งยังสีซันอันือสองมือกับขื้นมึงนย้นั่งกระด่งมาก็ะบายนักงกระสือมากระบามันหมดชอบฮารู้อยู่ปรมาณไม่อ เครื่องรับไปทางจี่จีนหนึ่งชื่ออะไรรับยูรับตาหาดใจมาหมุรับหูมหมุรับรับจิตตาที่ถึงแม่วใมดเพิ่งรับเรอตารับเรือนามันทีอะไนได้ไัมให้อุ่นไว้ อย า, อากไปสอนมันนี่เออให้กลับมากลับกลับเลยกลับกลับจนไม่คุม้มมันตัวไม่เลยม่ในหัวนะพี่ตัวให่มันนอกบกุบกชากมันมาทำร้างช้างไปทำไปไม่คุ้มมันเลยอี่ไม่เห็น ม, ม, ม, ม, มันมกดู พอเรียบพอเรมยบมารู you <wonderful. S 2> ้บอกรู้คุณแม่อาสัะเป็นยังไงคะคุณแังอาสนเ็นังไง้อกคุณนม่ว่ายังไงมาทมาเจ็บตีเม่ยิ่งสร้างตยิ่งยู่งมาเจ็บออาซึ่งเจ็บหลังอีกมาเจ็บ สบายเองดีนีอืมีอ yeah, so so oh ืมโยกเองก็กขึ้นมาแล้วอืมกอย่างเขยนไมอ่างที่จะงาบุก็บ้านจะเจมาที่อย่างทุกที่งานที่มมติดนี่ไม่ติอย่างไม่ เมื่อไปบอกเมจิสมัยเมจิเบื้งหลังที่ยวแล้วบอเห็นสักเที่ยวอ่ะจบนี่อยู่อันเดียเพย์เียดียมาชัวบุตอืมโอเคบ่ายตะเกีบหนึ่งเลย ทำที่ละคนหาจ็บไหมไอเจ็บไว้ลังฉไม่เจ็บไว้ในครีมปวดอยให้อมาให้ท่าให้อมาให้ท่าใครก็ใครเอ้ยน่ออรเปะวกฉันนี่มือเคยเอาลูกาไปให้ขอเป็นาครเอเอาลูกมาาลูก เขบอกว่าแล้วเร่องละเดรือะไรแ่ก็เขาจะเจาะเหรอ่